พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่สี่พฤศจิกายน2559หมีชื่อเรื่องว่าติดปีกแนวพุทธให้พลังปัญญาพวกเรามา สู่วัดวาศาสานาเข้ามาอยู่ในเขตวัดนก็ตามปกติก็ควรจะมีรักษาศีล น, นะเราจะรักษาศีลอุโบสถหรือรักษาศีลห้าแต่ตาว่าเราจะฝึกขัดความหิวนั่นคืออะไรเออเขาเราเป็นหัวหน้าเราเป็นหัวหน้าลูกน้องทั้งหลายเราเป็นหัวหน้าจะต้องเข้าสู่ชุมชนสังคมความหิวนั่นคื อ, อยังไง เราต้องรู้ว่าความหิวมันต้องเกิดจากตัวเองซะก่อนในเมื่อเราความหิวเนะี่ยมันเป็นยังไงเราจึงจะได้เห็นใจคนเออหิวเนะ่ยเราเคยหิวมาแล้วเออเราเคยทุกข์มาแล้วเนะี่ยการหิวโอ้โหมันทรมานเราก็จะได้เห็นใจแก่ผู้คนทั้งหลายให้ตัวเองหิวบ้างละดีเอออย่างหลวงพ่อสอนลูกน้องเหมือนกันพระที่เขามาบวชเนี่ยถ้าหาว่าองคใดก็ตามมาอยู่วัดป่านาคําน้อยแล้วไม่อดอาหาร ไม่ทดลองโอดอาหารแปลว่าไม่ผ่านวัดป่านาคําน้อยทําไมหลวงพ่อจึงพูดอย่างนั้นเพราะอยากจะให้พระรุ่นลูกรุ่นห ล, ลานเนี่ยในเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะให้เห็นใจลูกน้องว่าตัวเองหิวสมัยบวชนะเป็นยังไงในเมื่อเขาหิวนะ่ะเป็นยังไงควรจะแบ่งปันให้เขาบ้างควรจะมีน้ําใจควรจะประทางชีวิตเขาไว้ก่อนหรือประทางความหิวเขาไว้ก่อน เราจอย่างอื่นเราจะมาพูดคุยกันให้เขาหายหิวซะ ก, ก่อนจะมาพูดกันถ้าเขาหิวหิวอยู่นั้นเราจะไปพูดให้เขาฟังมันไม่เข้าหรอกเออมันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องอให้เขาให้เขาอิ่มซะ ก, ก่นอนเพราะฉะนั้นอที่มาในขั้นระดับขั้นหัวหน้าเกือบตั้งนั้นหัวหน้าโครงการหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหมู่คณะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าเลยอย่างน้อยก็ต้อง ทดลองดูว่าความหิวนันคืออะไรแต่แต่คงไม่ให้หิวมากแล้วนะแต่วันนี้เมื่อลงจากที่นี่หลวงพ่อก็ได้เตรียมพวกน้ำส้มน้ำหวานโกโก้อะไรไว้ข้างล่างไว้อยู่เพื่อว่าเพื่อไม่ให้พวกเราหิวจนทุรนทุลายจะเกินไปนะหลวงพ่อหลวงพ่อยังอเอาไว้ให้อยู่นะแต่สำหรับหลวงพ่อเนี่ยเคยอดมานะ อดมาอยู่ที่วัดป่าพันตาทำไมเป็นพระน้อยผนุมนะอดถึงยี่สิบห้าวันหลวงพ่อเคยอดไม่ฉันเลยล่ะทดลองอเป็นยังไงได้นะอดห้าหกเจ็ดวันเนี่ยมันคล้ายๆว่าไขมันอะไรมันยังมีอยู่มันยังไม่หิวนะถ้าเจ็ดวันไปแล้วรู้สึกว่าเพลียๆขึ้นมาบ้างแต่พอสิบวันขึ้นไปเนี่ยจะเพลีย ป, ประมาณทักสิบเอ็ดโมงไปถึงบ่ายโมง เพอตกตอนเย็นแล้วก็ชดชื้นขึ้นมาพอกลางคืนเนีดชื่นขึ้นมาถูกอากาศเย็นนะแต่พอถูกสิบเอ็ดโมงขึ้นไปมันอากาศอบอ้าวล้นเหนื่อยเพียแต่ก็ทนว่าทนได้จนถึงอดถึงยี่สิบกว่าวันพออดจนถามหลวงตามอาจบอกเออทาอินมันอดอาหารไปวินทบารได้ไมมเด็ดโผลมายี่สิบห้าวันนะอดมาก ม, ม, มาที่สลา บินาบาทได้ไหมได้ครับผมเดินในตัวปลิวเลยนะมันไม่มเดินในหล่องแคล่วเลยนะเพราะว่าเราอดอาหารไม่ใช่อดละกันอนไม่ใช่เราอดเราก็เดินจงกรมแต่มันไม่เหมือนอดเป็นคารวาสหรือว่าอดในชุมชนกดนนมันหิวนะถ้าอดหยุดภาวนาเนีไอ้คาว่าเราไม่ได้ส่งเราไม่ได้ส่งใจออกมาหาร่างกาย มันแค่ๆว่ามันเป็นดูใจของตนเองอยู่ตลอดไม่ได้สุกมาทางกลางมันไม่หิวนะแต่ออกมาข้างนอกนะจะหิวกว่าสมมติว่าเเนี่ยเราเอ้ยเราเดินทางไม่ต้องทานอาหารว่ะขี้เกียจเดินทางอดอาหารโอ้โหไปในรถมันแสบออกแสบออกร้อนในท้องเรเราเราเข็ดเลยนะเนี่ย ให้ค่มันเราเข้ามาในชุมชนมันเห็นมันคล้ายๆว่ามันมันน้ำย่อยมันออกแต่เราอยู่ตามลําพังนะนะเราไม่ได้สงใจมาสักมาหาร่างกายใล้ายๆมันอยู่คนแยกกันภาวนาของเราจำมีแตพยายามทําจิตใจให้หนึ่งให้จิตใจให้สงบเรามันได้มาสนใจถึงเรื่องร่างกายเพราะนั้นมันความหิวนเข้ามาเบียดเบียนบีบหัวใจเราน้อยมากร่างกายบีบบีบใจน้อยมาก เพรานั้นท่าท่าว่าเรามาอยู่ตรงนี้มันกายกับใจมันสัมผัสกันอยู่ขนาดนัมันหิวเลยอความหิวมันเกิดนะี่นหละผู้ปฏิบัติเท่านั้นจริงจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอฉันอาหารเพียงวันเดียวนะมันแปลกนะร่างกายมันฟุบปกติเลยเพอฉันยังหานเพียงวันเดียวร่างกายมันขึ้นปกติเลยทํางานอะไรคล่องแคล่วว่องไวได้แต่ตัวผอมนะผอม ต่อไปวันฉันอาหารไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เลยมันเลยเริ่มตัร่างกายก็ขึ้นเข้าปกติเพราะร่างกายมันมันมันมันพร้อมอยู่แล้วร่างกายมันทุกอย่างมันไม่มีอะไรผิดปกติเพียงแต่ว่าเรางดมันให้มันหยุดทนเองเลยพอนั้นเรื่องอดอาหารเพียงวันสองต่ำวันหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อไม่ตกใจถึงลูกน้องจะทดลองอดหลวงพ่อกันยังเฉยเฉยเพราะอะไร หลวงพ่อเคยอดก่อนก่อนหน้านี้มาแล้วก่อนลู้ก่อนหลานมาแล้วตอนน่อในไปก็กราบสามครั้งพุทธโทธรมโมสังโฆเสร็จแล้วก็ก้าวอรัตนาศสิ้นเลยนะมะยังพันเตติสรณนสหอัตถาศีลานิยาจามะอัตถาแปลว่าแปดนะศีลานิยาจามะนะพูดถึงสามครั้งจากนั้นหลวงพ่อจะเป็นผู้ผานำสมาทานศิ้น ก่อนที่จะสมาทานศินหลวงพ่อจะนํากล่าวหรือว่าแนะนําเรื่องของศินให้กับคณะสัตยาติโยมผู้ที่จะสมาทานให้ได้รับรู้รับทราบว่าสินมีคุณค่าอย่างไรศินมีประโยชน์อย่างไรที่เรารับศินเนี่ยเรารักษาสินเน่ยเรารักษาศินเพื่ออะไร หรือว่าคนโบราณเขาถือมาเราก็ถือไปโดยที่เราไม่ได้คิดเพราะเราเราเชื่อว่าคนโบราณถือมาแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านต้องให้วิเคราะห์ว่าการจะนับถืออะไรการที่จะคิดเรื่องอะไรต้องมีเหตุมีผลในเรื่องนั้นๆเพราะนั้นเรื่องศิลที่พวกเราที่ขอรัตนาเมื่อกี้นี้ ขอรับสินที่หลวงพ่อจะให้ไปคือสินตามพระจิงสินห้าเนี่ยสินห้าที่หลวงพ่อได้อธิบายที่ฉันน้ำของเราคือสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาทุกใจ ในเมื่อเขาเขามาทำให้กับเราเราก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะเหมือนกับไฟเราไปจี้เขาเขาก็ร้อนเขามาจี้ให้เราเราก็ร้อนเหมือนกันเพราะนั้นเราก็รู้ว่ามันร้อนเราจะไปทำให้กับเขาสิจะไปเอาไฟจี้เขาสิไปอย่าไปเอามีดเอาผ้าเอาสตาราอาวุธไปทำร้ายทำร้ายคนอื่นเขาสิในเมื่อเขาเราไปทำให้กับเขาเขาก็ทุกข์ใจเดือดร้อน ในเมื่อเขามาทำให้กับเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น่งห้าที่ที่เราจ ะ, จะสมาทานไปนี้นะในเข้าในทํานองหรือลักษณะอย่างนี้ เ, เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามาขาโมยของเราเราไปไปประพฤติปิดในสามีภรรยาคนอื่นเขา เขามาประพฤติผิดในสา ح, มีภรรยาลูกหลานของเราเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราดื่มสุราเหมินเมาทําสิ่งที่ไม่ควรทํากับคู่คนทั้งหลายถ้าคู่ขนทั้งหลายดื่มสุราเหมินเมามาทําให้กับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนะสรุปแล้วก็คือเขาเราเขาเราคือศี่ห้า สินแปดเลยสินตั้งแต่ข้อหไปข้อหข้อเจข้อ8ที่เราจะรักษาอันนั้นเป็นสินส่วนตัวคล้ายๆกับว่าเป็นเครื่องขัดเกลวไม่ให้ตัวเองหลงละเริงจนเกินไปหลงโลกหลงทางถ้าเราอยู่ในโลกเราจะมีแต่เอาเครื่องเหล่านั้นมาปูนปือเราก็จะหลงในในโลกวัะสงสาร หลงในโลกเกินไปจนมองไม่เห็นไข่เพราะนั้นเราจงฝึกหัดตัวเองฝึกหัดตัวเองให้เป็นผู้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงในใจของเราคือสินสินอุโบสถคือศินตั้งแต่สินหกไปแต่สินห้าเนี่ยคือใจเขาใจเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่สินหสินเจดสิน8ดนั่นข้อที่ห วิกาลโภชนาเวรมะนีสิกขาข้าไปเจ้าจงงดเว้นในการรับทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปอันนี้เป็นเครื่องขัดเกลาอกิเลสคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าเราทานอาหารเราก็มีความรู้สึกยังไงคล้าเพราะว่าตัดตัดเรื่องทางลิ้นออกไม่ให้ทานอาหารแต่เมื่อเราไปทานอาหารและเป็นยังไง ถ้าวันเราได้ทานอาหารติดในรถอพอติดในรถเนี่ยถ้าไม่ได้กินอย่างที่เราอยากจะกินเนี่ยเราอาจจะเบียดเบียนลังแกตทุกตีฆ่าใครก็ได้เพออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทานไม่ได้กินอาหารอย่างที่เราต้องการปรารถนาเพราะในตำรับตาราในพระไตรปิฎกก็มีมากตัวมากเรื่องอาหารไม่ถูกลิ้นทูกปากถูกฆ่ากันเพราะนั้นเราทานอาหารไปกระเทานั้น จะกินของดิบค้องดีไปก็กินไปแล้วได้อายกินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ใช่กินแล้วก็ยังแก่เจ็บตายอย่างเก่าอยู่เรากินเ่าทานพอประมาณเพื่ อ, อยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อสุขภาพของเราเไม่ให้มันหิวจนเกินไปเพียงแค่นั้นก็น่าจะพออันนี้ถ้าเราอดทุดลองดูสิความหิวเป็นอย่างไร ถ้าคนอื่นหิวเป็นยังไงถ้าเราหิวเป็นยังไงเราจะเห็นใจเขาในเมื่อเขาหิวนะในเมื่อเราหิวเราก็รู้แก่ใจว่าหิวคืออะไรนะอันนี้คือวิการละโภชนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิและคณะจักีตวาทิตวิตวสูกรัตนะอันนี้ใครท่านว่าไม่ให้พวกเราเร้องรำทำเพลงเรียกว่าฟังดนตรี ที่เป็นเสียงทำให้จิตใจของเราหลงละเลิงในเสียงนะเรียกว่าสัมผัสติดในเสียงทำให้เราลุ่มหลงในเสียงทำให้จิตใจของเราตกตัก บ, บางทีทํามาได้ยินเสียงร้องราทำเพลงจิตใจของเราก็มัวหมองขุนมัวเพราะนั้นเราต้องดูใ่าในขณะที่ไม่มีเสียงเข้ามาจิตใจของเรากระเพื่อมยังไง มีความทุกยังไงมีความสุขยังไงเราต้องตัดเสียงออกจากหูของเราอันนี้คือนัตจีมาลามาลาคนทนธวิเรศไม่ให้ทัดจงดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมในร่างกายของเราอถ้ายทาให้เตียงตัวจนหลงละเลยเหมือนกับที่ตัวลิเกละครไป อันนี้ก็นนี่ยนะมันหลงหลงร่างกายถึงจะตกแต่งขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี้แก่เจ็บตายรออยู่ข่รอรอเราอยู่ข้างหน้าความแก่แล้วก็ความเจ็บแล้วกันความตายในที่สุดถึงจะตกแต่งให้ขนาดไหนก็เถอะก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องจุดนั้นเพราะนั้นอย่าติดหลงละเิงใน การตกแต่งร่างกายคือมาลาคันเทววิเลและก็อุดจาใจชนะมหาสยานะศินข้อที่แปดเราจะไม่นอนในที่นอนอันใหญ่ยัดนุ่นและสำรีคือเรานอนในที่นอนที่นอนที่ยัดนุ่นและสำรีทำให้ติดในความสุขในการในการนอนจนไปที่ไหนไม่ได้พบนอนที่อื่นมันไม่สรุปไม่ไม่มีความสุข เหมือนกับ น, นอนอยู่ที่ที่ยัดนุ่นและส้ำรีเพราะนั้นเราอย่าไปหลงติดอย่าไปติดในการสัมผัสจนเกินไปสรุปแล้วก็คือสินสามสี่ข้อเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสให้สำนึกไว้อยู่เสมอว่าไม่ควรจะติดในความสุขในรสอาหารในเสียงในกลิ่น แล้วก็ในเรื่องเครื่องสัมผัสทางกายนี่แหละศินมีศินที่พวกเราจะรักษาไม่อยู่สินแปดแต่การรักษาสินแปดเนี่ยจะรักษาได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนี้ก็ท่านก็บอกว่าคนโบราณท่านบอกว่าได้ช่วช้างกระทบหูช่วงงูแลบลิ้นช่วช้างกระทบหูเหนี่ยคือเราก็คงจะเคยเห็น ไปเห็นช้ามันก็คงจะกระทบหมูปกปะโปะปเรารักษาศีลได้เพียงช่วงช้างกระทบหมูก็คือศีลได้ช่วงูแลบลิ้นก็คือศีลคล้ายๆกับว่าได้ช่วรั้างช่วขาวก็คือคุณงามความดีสมใจ ส, สัมผัสกับศีลธรรมของพระพุทธยาวเพราะนั้นวันนี้เข้าพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดหลวงพ่อมาอยู่ในสถานที่สงบสงัดอย่างนี้ละ่ะ เป็นเขตพุทธาวาสเป็นเขตสังฆาวาสพวกเราก็ควรจะเป็นผู้มีศีลเพราะพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็รักษาศีลพวกเราก็อยู่ควรอยู่อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในศีลธรรมของพระพุทธองค์ที่ท่านได้แนะนาสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราก็เน้นนะในฐานะเทวาอุบาสกคือโยมผู้ชายอุบาสิกาคือโยมผู้หญิง ภิกษุคือพระสัมมาเนนคือผู้บวชยังไม่อายุยังไม่ไ ม, ไม่ครบ2ี่เป็นสัมมาเนนพระพุทธศาสนาวางไว้กับพุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้ที่ดำรงทรงศาสนาของเราตถาคตเพรา ะ, ะนั้นพวกเราคน ที่ได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนากันเนี่ยนะอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มเณรนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้ได้มาสู่วัดหลวงพอ่อหลวงพอ่อครับพวกเราได้สมาขอสมาทานศีลหลวงพ่ออธิบายเรื่าแนะนําเรื่องของศีลให้กับพวกเราได้ฝังได้ศึกษาและตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานนาสมาทานศีลว่าตามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพทุทธัสสะ ทนะี่เลนานีผูติงยันติตัตมาสีลังวิโสทาเย่หลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้คณะทธายาโยมได้ฟังจากนั้นหลวงพ่อจะให้นั่งภาวนาปฏิบัติวิธีการนั่งภาวนาทำยังไงแต่อันดับแรกนะหลวงพ่อจะกล่าว สัมหมดทนิดกถาให้กับคณะสัทยาธายานุมที่มาในวันนี้นะพวกคณะของเราได้ยินได้ฟังพคณะของเราทั้งหมดมีสามสิบท่านนะสามสิบท่านแล้วก็วันนี้เย็นวันนี้กเ็เลยไหว้พระสมาทานศีลจบลงไปจากครูนี้แล้วก็ ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมูทะนิยคาถาเมื่อจบแล้วก็ให้พวกเรานั่งสมาธิภาวนาต่ อ, เ, อเมื่อจบแล้วก็พวกเราให้น้อมจิตถวายเป็นพระราชฎกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเพราะว่าพวกเราได้มาบำเพ็ญคุณงามความดีตามหลักของพุทธศาสนาในบำเพ็ญ ทานบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาในหลักของพุทธศาสนาปนั้นเมื่อเมื่อเราแต่ละวันเมื่อเราทำพิธีจบแล้วเราก็น้อมจิตถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ท่านเข้าสู่สวรรคารัยอยู่ในบรมโกศก็ให้ดวง วิญญาณของพระ อ, องค์ท่านสิงสถิตยุทธจินใดพวกเราขอคนน้อมคุณงามความดีเป็นเครื่องบูชาขอให้พระ อ, องค์จงมีแต่ความสุขความเจริญในสัมปรายเจริญพบและวันพรุ่งนี้ก็มีคงจะมีตอนเช้าประมาณเจดโมงก็นับบินทบาททุพระสงฆ์รับบินทบาทข้างนอกนะพวกเราจะไปเดินเดินตามหลังพระก็ได้ เพื่อเป็น ก, น ก, นการทัศนศึกษาแล้วก็กลับมาบประมาณเจดโมงกว่าแล้วก็ฉันประาหานจัดพิธีฉันฉันวันพรุ่งนี้ฉันข้างนอกเนาะพอมีสลาข้างนอกสลาใหญ่ข้างนอก เ, อเมื่อฉันประาหานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพระสงฆ์ก็จะกลับมาข้างในแต่พวกเราทั้งหลายทั้งทั้ง30ท่าน พอจะเข้ามาเพื่อการศึกษาเรียนรู้หลวงพ่อจะให้พระหลวงตาทั้งสามองค์นี่แหละเป็นวิทยากรที่อยู่ข้างนอกจะพูดอะไรให้กับพวกเราพวกเราอยากจะถามอะไรท่านทั้งสามท่านก็คงแก่เรียนมาทั้งโลกผ่านโลกมามากแล้วนะแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะถึงจะมาเข้ามาส่วนไม่มากแต่ท่านก็ หลงพ่อเองก็มั่นใจว่าท่านเป็นผู้เฉลียวฉล า, าดได้รับรู้เรียนรู้ได้มากทีเดียวเพราะนั้นก็ให้ท่านทั้งสามนี่ยนะพบกับพวกคณะสัตธาญาติโยมลูกลานในวันพุ่งนี้ตั้งแต่แ ต, แต่แต่ฉันจังหันเจ็จแต่พวกเราจะพบท่านเวลาเท่าไหร่ยังไงและก็ตอนเย็นวันพุ่งนี้ยังค่อยมาพบหลวงพ่อที่ศาลาอย่างนี้ย อย่างวันนี้นะต่อหลวงพ่อจะบอกกล่าวอะไรให้ฟังอีกในในเย็นในเย็นวันพุงนี้นะแล้วก็พ่งนี้เช้าวันพุงนี้ก็คงมะลือกนี้คงจะได้เวลากลับนะเออนี่แหละคือโครงการของพวกเราก็คงจะลักษณะอย่างนี้นะหรือว่าพวกเรามีความเห็นอย่างไงอย่างนี้ก็ให้ให้ให้ให้บอกให้บอกหลวงพ่อได้นะ ควรจะเพิ่มตัวนั้นควรจะลดตัวนี้ยังก็ได้นะวันนี้เป็นวันที่สี่พฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าคณะที่มาในวันนี้ก็คือคณะชมลมด้วยโครงการกลุ่มพลังปัญญาที่มาจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ชื่อโครงการที่ย่อยออกมาก็คือกล um ุ่มพลังปัญญาถูกลิเริ่มโดยห้าภาคีได้แก่มูลนิธิมั่นพัฒนากองทัพ บ, บกเอชจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และหอการค้าไทยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้กับผู้นำชุมชนเกิดปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดให้ทันสมัยคิดนอกกรอบมีหลักคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผลสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาได้ท่านผู้ใหญ่ในสํานักก็คือท่านจิรายุอิชรางกูณายุทธยาแต่เดี๋ยวนี้ท่านก็ได้เป็นาราชเะเลขา ในสำนักพระราชวังและก็พร้อมกันท่านก็ได้เป็นยังยังเป็นสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์อยู่ส่วนหนึ่งตาแหน่งหนึ่งนะเป็นผู้ใหญ่อันนี้นะถือว่าพวกกลุ่มข้องเราเป็นกลุ่มที่ว่าชั้นปัญญาเป็นกลุ่มที่หัวกะทิเร่าหัวที่จะนำไปพัฒนา เป็นหัวหน้าหัวหน้าในสำคัญในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องหัวหน้าท่านในหลักธรรมคำสอนชื่อว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจคือใจเป็นหัวหน้า ในตัวของเราทุกคนท่านว่ามีใจเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าพูดแบบให้เข้าใจง่ายหรือว่าในยุคปัจจุบันก็ว่าสมองสมองเป็นใหญ่สมองเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยสมองแต่ในหลักธรรมคำสอนใ้ท่านว่าใจเป็นใหญ่ใจคื อ, คอสมองนั่นแหละคือตัวความรู้สึกนึกคิดนี่แหละทีนี้มาพัฒนาสมองจะคิดยังไง จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะคิดยังไงมันจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิมันอยู่ในตัวเดียวกันนะคิดผิดกับคิดถูกทำถูกกับทำผิดมันอยู่ในตัวตัวเดียวกันเพราะนั้นในการศึกษาหรือการมาเรียนรู้เรื่องการคิดผิดคิดถูกเนี่ยเราเราจะเอาอะไรมาคิดคำว่าคิดผิด มาเอาอะไรมาั้าว่าคิดถูกนะก็นอกจากหลักธรรมคําสอนผมมาหาหลวงพ่อนะเป็นหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ศึกษามาเรื่องหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่ตอนหัวค่าว่าหลวงพ่อบวชมาเป็นสมณีขนาดนั้นมาอยู่ในพุทธศาสนาถึงขนาดนี้หลวงพ่อ ก็จะแนะนำเรื่องที่หลวงพ่อได้มีประสบการณ์แนวความคิดคิดยังไงจึงคิดถูกคิดยังไงจึงคิดผิดถ้าคิดผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเออเห็นผิดเออเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอันนี้มันน่ากลัวมากนะว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจุดนี้น่ะในหลักของพุทธศาสนาท่านว่าน่ากลัว น่ากลัวที่สุดคือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะนั้นคำว่าเห็นผิดเนี่ยหรือเห็นถูกเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์เราก็ต้องเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วตั้งแต่ดึกจำบันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้วนว่าเรื่องสินห้าสินห้าของพระพุทธเจ้านี่คือเป็นบรรทัดฐานการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันเราจะต้อง มีศีลธรรมออถ้าว่าคนมีศีลธรรมอยู่ด้วยกันไปนัสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่คิดว่าคนนั้นจะจลังแก่เปลี่ยนเปียนหรือผิดศีลห้าทำให้ตัวของเราเดือดร้อนด้วยตัวของเราได้รับความทุกข์เพราะออการอยู่ด้วยกันเพราะต่างคนก็ต่างมีศีลธรรมมีศีลห้าคุ้มครอง ต่างคนก็ต่างรักษาศินนี่แหละอันนี้ก็คือศินคํานี้นะเราก็ฟังฟังดูแล้วก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ตอนนี้เราคิดว่าเอาก็ใช่เรารักษาศินแต่คนอื่นไม่รักษาสัตว์ไม่รักษาล่อเออทาไมรักษาเราก็ต้องระวังคนที่ไม่รักษาแต่คนที่รักษาเป็นผู้มีศินอยู่แล้วเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าคนไม่มีศินเราก็ต้องระวังเขา เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีศิลแต่ถึงยังไงเราอยากจะให้เขามีศินไม่ใช่ทุกคนอยากจะให้มีศินด้วยกันทุกคนแต่เขาเมื่อเขารักษาศินไม่ได้เอาเถอะเมื่อเขารักษาศินเขายังไม่รู้คุณค่าของศินเราจะไปบังคับให้เขาทํามันก็ไม่ได้แต่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เรื่องของศินแล้วศิลมีคุณค่าอย่างไรศินมีประโยชน์อย่างไร ก, กฎกติกา มีคุณค่าอย่างไรเราก็เคารพสินเราก็รักษาสินนับหนึ่งจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นคุณค่าของสินแล้วข้าพเจ้าจะรักษาสินในเมื่อเราคนหนึ่งนับหนึ่งจากเราคนอื่นก็เมื่อเข้าใจในสินเขาก็นับต่างคนก็นต่างนับหนึ่งจากข้าพเจ้าตรงคนก็ต่างนับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ถ้าเราเ ทำได้อย่างนี้ก็เนี่แหละให้เขาว่ามันจะแผ่ขยายไปเรื่อยแต่ถ้าว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้ไม่มีศินเรารู้จักคุณค่าของศินอยู่เห็นคุณค่าของศินอยู่เอแต่เรารักษาไม่ได้แต่อย่าให้คนอื่นรักษาให้รักษาสินแต่ตัวเองไม่รักษาคนนั้นก็คิดอย่างเราอีกเหมือนกันคนทั้งโลกเลยเป็นผู้ไม่มีศินกันทั้งหมดเพื่ออะไรเพราะต่างคนก็ต่างคิดอยากจะให้คนอื่นทําความดี แต่ตัวเองคิดแต่ทำแต่ความชั่วเสียหายเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายถึงทั้งปวงนี่เป็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเป็นแนวความคิดของพุทธะพราะทั้งอให้พวกเราศึกษาดูนี่แหละคือเรื่องของความประพฤติใจเขาใจเราในหลักของพุทธศาสนาในการเสียสละในการอยู่ด้วยกันอย่างพวกเราที่เป็นขั้น ระดับหัวหน้าที่เข้ามาอบรมเข้ามาสู่ศีลธรรมในคราวนี้ครั้งนี้เข้ามาสู่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจเพราะหะไรเพราะพวกเรานั่ในอยู่ในขั้นระดับหัวหน้าหัวหน้าในสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าหัวหน้าเดินผิดหัวหน้าเป็นมิจฉาจิติหัวหน้าเห็นแก่ตัวเห็นละหัวหน้าโลภโลเลหัวหน้าเอประพฤตินอก รล้นอกทางออกนอกศีลธรรมลูกน้องอย่าหวังเลยจะมีความสุขอยู่ที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกตัวท่านทุกตัวคนแต่ถ้าหัวหน้าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีมองเหตุมองผลการที่จะให้ตำแหน่งหรือว่าการที่จะยกตำแหน่งให้กับลูกน้องแต่ละคน เขาเป็นคนยังไงถูกต้องเหมาะสมไหมเหตุที่เราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องมองเขาถ้าหาว่ามองเขาแล้วเราก็ต้องให้ตามเหตุตามผลที่ผลงานของเขาที่เขาทำการทำงานอันนี้แหละคือหัวหน้าเป็นธรรมแต่ถ้าหัวหน้าบางคนเห็นกับเห็นแก่พักเห็นแก่พวกเห็นแก่หมู่แก่เพื่อน ฉันทะคติโทสาคติโมหะคติพยาคติมีความลำเอียงในจิตใจอย่าหวังเลยว่าลูกน้าน้องใต้บังคับบัญชาจะให้ความเคารพเราแต่ต่อหน้าเขาก็กลัวเขาก็สยบหัวให้แต่พอออกไปตามหลังเท่านั้นในหะ้เขาก็ซุบซิบกันผลนี่สุดก็นั้นนะหละผลี่สุดมก็ะจะจะทอนย้อนกลับมาหาหัวหน้าอีกอย่างเก่าเพราะอะไรเพราะหัวหน้าขาด ความรอบครอบขาดความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องหัวหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งจะต้องเอาธรรมะความถูกต้องความเป็นธรรมเข้ามาอยู่ในจิตใจถ้าหัวหน้าเป็นธรรมมีคุณธรรมศีลธรรมจ ร, ริยธรรมที่ดีในจิตใจแล้วการดูแลลูกน้องก็ร่มเย็นเป็นจุกกันทั่วหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องออการดูแลแต่ลูกน้องไม่ดีจะทำไงลูกน้องไม่ดี เราก็ต้องมองดูมันไม่ดีด้วยเหตุอนนันใดมันจะทำให้เสียหายในวงการของเรานะในหมู่ในคณะของเราเราก็ต้องประชุมหาหรือตักเตือนก่าวเตือนอย่าทำแต่เขายัางไม่ฟังในเมื่อว่าไม่ฟังเราเตือนแล้วไม่ฟังเราก็ต้องใช้กฎตัดสินโดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมันมีกฎกฎติกาอยู่แล้วใครทำยังไงลงไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย อย่างร่างกายของเราเนี่ยสมมติว่าขาของเราหรือแขนของเราเนี่ยเราก็รักทุกคนไม่ใช่เหรอเอวัยวะของเราทุกส่วนของร่างกายเรารักแต่ว่ามือของเราเป็นมะเร็งถ้าหากว่าไม่ตัดออกมันจะต้องเข้ามาสู่ร่างกายก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเน่าเฟะตายไป เราจำเป็นจะต้องตัดแขนทิ้งเพราะอะไรเราไม่รักแขนอย่างนั้นใช่ไหมรักรักแขนแต่ว่าเรารักชีวิตของเรามากกว่านี้ก็เหมือนกันถ้าลูกน้องของเราทำการทำงานร่วม ง, งานกับเราแต่ว่าเขาไม่อยู่ในกฎระเบียบออกนอกลูก่นอกทางถึงเราจะรักลูกน้องก็จริงอยู่แต่ว่าถ้าขืนเอาไว้จะเป็นอันตรายตัววงการต่อสานักงาน อันนี้เราก็ต้องช่วยกันคิดตัดออกเองเหมือนกันเราจะไม่ใช่ว่าจะเอาไว้คนประเภทไหนจะเอาไว้หมดทุกอย่างก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องให้เป็นธรรมผู้ใหญ่ต้องเป็นธรรมต้องมองให้ทีถ้วนที่จะทำอะไรลงไปพระ น, นขอฝากไว้กับพวกเราที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้แนวหน้าหัวหน้าในการเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องทรัพย์สินพ่อเป็นทรัพย์สินใครๆก็รู้ว่าเป็นเรื่องอที่ใหญเ่เป็นของพระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่พวกเราทํางานเป็นงานที่เป็นงานที่เป็ น, น, เ, ปนเกียรติเป็นงานที่อยู่ในประเทศไทยก็เป็นงานที่มีศักดิ์ศรีให้ใครๆก็ต้องการอยากจะทํางานในจุดนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่ได้มาทํางานในจุดนี้เป็นการช่วยสงเคราะห์ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวมีอะไรนี่ทรัพย์สินช่วยเกือบทุกอย่างเวลาประชาชนตกทุกข์แต่อยากน้ําท่วมภัยแล้งหรือเรื่องอะไรไฟไหม้อะไรก็ตามทรัพย์สินส่วนหนึ่งจะต้องเข้าไปช่วยประคับประคองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัดวาศาสนาวัดวาศาสนาก็ใชัยย่อยได้ทรัพย์สินเข้ามาช่วย สร้างท้าวอนวัตถุในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่ๆทรัพย์สินเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยสร้างเพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละอันนี้ก็คือพวกเราในทําทำงานในจุดนี้ก็เพื่อช่วยชุมชนสังคมประเทศชาติเป็นงานที่มีเกียรติอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านขอให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจในการทําการทํางานและก็พร้อมกัน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 จะต้องทิ้งทั้งหมดนะเพราะอะไรถ้าเราคิดไว้ในเป็นภาษาใจของตัวเองไม่ใช่ภาษาคําพูดนะถ้าพูดให้ฟังนะผุดต่อหน้าชุมชนสังคมบางคนที่ฟังไปแล้วมาอาจจะหมันไส้ก็ได้แต่หลวงพ่อพูดให้ฟังพูดในฐานะสอนแนะนําบอกกล่าวสอนให้พวกเรานึกคิดอย่างนี้แต่เมื่เรามีความนึกคิดอย่างนี้ในใจถึงจะโกรธให้ใครก็ไม่โกรธมาก ถึงจะรักใครก็ไม่รักมากเพราะอะไรเพราะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องหนีจากกันอยู่แล้วแต่อันไหนคือคุณงามความดีคือความดีนะนะั่นแหะอันไหนคือความดีไอพวกเราจะต้องหันหน้าเข้าหากันเอาความดีเข้ามามาสู่กันมาเข้ามาหากันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าพวกเรา้มีแต่เรื่องอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนเห็นใครทาผีวิตนิดๆหน่นนอยๆ ก็ให้อภัยกันไม่ได้มิแต่โกรธโมโหโกธาให้กันมิแต่อิจฉากันอย่างนั้นหลวงพ่อว่าจะหาความสงบป่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในสำนักงานของเราในกลุ่มของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับคณะัทธายาตโยมลูกหลานที่มาอบรมมาเข้ามาสู่วัดของหลวงพ่อในคราวนี้ครั้งนี้แต่ถึงอย่างไงในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อเองอยากจะเน้น เรื่องหลักของพุทธศาสนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังทาไมจึงมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นถ้าพวกเราศึกษาในพุทธประวัติก็พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นมหากรสัตว์เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่กรุงกบิลละพัทประเทศอินเดียจากนั้นพระองค์เมื่อประสูติและเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นคน ไม่ใช่เป็นเท ว, เทวดาไม่ใช่ว่าเป็นมาจากมาจากไหนเป็นมนุษย์พูดง่ายๆคือเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจุดโทธทนะเป็นพระบิดานางสิริมหาเป็นพยาเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์ประสูติที่กรุงกบิลพัทก็เป็นใช้ชีวิต <c oughs> ใช้ชีวิตแบบ มนุษย์ออผู้ตามสถานะพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นกษัตริย์ใช้ชีวิตอย่างไรออใช้พวกพ่อค้าประชาชนเศรษฐีมหาเศรษฐีใช้ชีวิตอย่างไรท่านก็ใช้ชีวิตอย่าง อ, อ, อย่างนั้นอย่างตามทํานองตามธรรมเนียมมหากษัตริย์ในเมื่อท่านเมื่ออายุถึงสิบหสบหกที่ท่านก็เข้าสู่มงคลสมรส ได้ปีมีคู่ครองชื่อนางพิมพายโสธราคู่ครองของพระพุทธของสิท ธ, ธัตถะจากนั้นพ่อพระ อ, องค์มีคู่ครองแต่พระ อ, องค์กบพระเจ้าจุธโธธนะท่านก็ใหเ้เห็นว่าเป็นลูกผู้มีปัญญ า, เ, าเป็นผู้มีความกระตันอยู่รู้สเสดียวฉลาดพระเจ้าจุธโธธนะก็มอบความไว้วางใจมอบความเป็นใหญ่ให้ ให้เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการประเทศชาติจากนั้นพระสิตทัตะเมื่อท่านคองราชมาอยู่เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีอายุยี่สิบเกปีแต่ก่อนหน้านี้เมื่อท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยมีโหรมีหมอดูที่มาทำนายทายทักแต่เป็นสมัยนั้นของคนที่อยู่ในเมือง กงกบินลพัฒน์นั่นนะใครเป็นผู้รู้อดีตอนาคตปัจจุบันเป็นผู้เฉลียวฉลาดมองไร้ว่าเอาเด็กคนนีนะ้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรอท่านก็เอาโหนเอาหมอดูเอามาทํานายทายทักมดูงัวเห้งสิท ธ, ธิฐานะเด็กคนเนี้ยต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร ต่นนี้พวกโขนเหงพวกหมอดูทั้งหลายพรามทั้งหลายในยุคสมัยนะี้ฤาษีสีพรยท่านก็เชิญมามาให้มันดูสิทธัตถะที่นอนแบเป่ะเกิดมาได้เจ็ดวันแต่ทุกคนก็บอกว่ า, ามีเอาพรามโดยมากโดยเฉพาะท่านฤาษีมาเห็นกันนะหลั่งน้ำตาโอ้ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตาท่านกลุนะ่มมารท่านนี่ แต่เราอายุมากแล้วเราคงจะตายก่อนท่านก็ทำนายไปเลย น, น่คือลือสีที่เป็นลือสีต้นของตระกูลที่คนทั้งหลายนับถือเลื่อมใส่จากนั้นก็พรามร้อยแปดคนก็มาทำนายอีกก็ยกสองนิ้วแต่ยังไม่ได้ทำนายยกสองนิ้วเลยให้ความเห็นเดินผ่านไปโผลในสุก็นั่นะเอาเข้าไปในห้องถามทีละคน ท่านยกสองนิ้วนี่คืออะไรพามเหล่านั้นกับตอบทีละคนไปแล้วคือไม่ให้ต่อหน้ากันตอบตอบเป็นความลับถ้าว่าครองราชชิตตถาเนี่ยนะเด็กเนีเด็กชิตตถาเนี่ยแบเบอเนี่ยถ้าครองราชจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระเจ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าต้นศาสนาต้นศาสนาหนึ่งใหญ่ เออเป็นศาสนาใหญ่ในโลกเออเพราะนั้นข้าพเจ้าจึงยกสองนิ้วแต่มามาจุดท้ายเนี่โกนทัญยะพามยกนิ้วเดียวเอ่อทำนายทายทักสิท ธ, ธาัตรท่านบอกว่าเรามองดูผมมองดูแล้วสิท ธ, ธาบัตรเนี่ยจะไม่คองจะไม่เป็นฆราวาสจะต้องออกบวชเท่านั้นจะต้องเป็นศาสนาต้นศาสนาหนึ่งใหญ่ที่สุดในโลก พ่อว่าท่านนั่นทางพระเจ้าผู้โทรนะก็ได้ยินได้ยินโอ้ลูกของเราเนี่ยอย่าได้อย่าได้บวชเลยอย่าได้เป็นนักพจนักบวชเลยใหญ่ที่ว่าใหญ่เป็นาศาสนาเจ็หนึ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยอย่าได้เป็นเถอะขอให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพ่อพระเจ้าจักรพรรดิใครๆก็อยากจะให้ลูกตัวเองไปเจ้าเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าเป็นาศาสนาเนี่ยในยุคสมัยนะั้นมีาศาสนามากมายเลยพวกชีปงชีเปื่อยพวก แก่ผ้าพวกไม้ดวดยาวพวกไม่อาบน้ำพวกคานเหมือนหมามีลัทธิมากมายในประเทศอินเดียทุกวันนี้ก็เถอะนะก็ยังมากอยู่สมัยนั้นยิ่งมากอันนี้ก็คือศาสนาแต่พระเจ้าจุตโทธท่านท่านไม่อยากจะให้เป็นต้นศาสนาต้นศาสนาท่านอยากจะให้อยากจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดินะ่เพราะนั้นท่านจึงดูลูกชายของท่านนยะ ให้เป็นดูอย่างเหมือนกับไข่ในหินน่ะนะดูแลรักษาอย่างดีไปนิสิตฐานที่ใดคนเน่ยมีต้นข่อยกล้วยต้นอ้อยกลนต้นกล้วยไม้ดอกไมเ้เหลืองอลามไปหมดสวยงามสิ่งที่ปฏิกูลสิ่งที่ไม่สวยงามสิ่งที่คนคู่คนก็ตามคนเท่าคนแก่คนอะไรจะไม่เห็นเห็นแต่คนเจ็ดสวยงดงามเหมือนกับสวรรค์ชั้นสวรรค์ไกลๆลักษณะอย่างนั้นนะ นี่แหะพระเจ้าจุดโทธนะท่านประครบประงมลูกชายของท่านเพื่อจะให้ลูกชายของท่านได้สวยราดเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะจนอายุถึงยี่สิบเก้าปีนะผัวอายุยี่สิบเก้าปีพระเจ้าจุดโทธนะก็เลยวามือลามื อ, นะอลามือเพื่อจะใหะ้ลูกชายเป็นอิสระลเลยนเพราะคงจะติดลเะเลยคงจะอยู่กับโลกได้แล้ว พะนางพิมพ์พาแยโสโสธราที่เป็นอัครมเหสีนั่นก็ทรงคันแก่แล้วพร้อมที่จะคลอดแล้วใคงจะติดล่ะติดอยู่ในโลกล่ะคงจะอยู่ได้แล้ว่คงจะไม่คิดหนีล่ะอันนี้คือพระเจ้าจุดโทธนานะพระบิดากับพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายจากนั้นศิทธาฐานนี่ก็พอเป็นอิสราก็ไปชมสวนอุทยาน คือสวนอุทยานเป็นสวนประจำเมืองไปพักผ่อนในสวนอุทยานพอไปเดินทางไปไปเห็นคนแก่พอเห็นคนแก่ในกลางหน้าว่างทางตะกอนไม่เห็นพอเห็นแล้วพรอกาะกลางสลนันกลางไม่เห็นคนทหารตำรวจไม่ให้นคนเข้าไปพุกผ่านแต่ข่าวนี้เป็นอิสระไปเห็นคนแก่ผมขาวหนังเหี่ยวหลังค่อมสือไม้เท้า สิทธาเห็นอันนี้คืออะไรเนี่ยไมตะกอนไม่เห็นเออเขาก็บอกว่านี้แหละคือคนแก่นาถามนายชนะหออชนะนะคือนายสารถีผู้ขับรถนะชนะอันนี้คืออะไรทําไมเป็นอย่างนี้นี่คนแก่พระเจ้าขานะ่าทําไมจึงแก่โอ้ถ้าคนไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้เราพระเจ้าขานะ่าเออเรามีสิทธิ์จะแก่ไหมแก่เหมือนกันถ้าพระองค์ไม่ไม่สวรรค์นคัไม่ตายง่าย โอ้มนุษย์เนี่ยถ้าแก่อย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรเกิดมาแล้วแก่อย่างนี้จะหาความสุขได้อย่างไรหาความสุขไม่ได้นะดูดูนะั่นเ อ, อเดินอย่างนี้ดูดูมองหน้ามันก็ฟันก็ไม่มีอีกผมขาวอีก อ, อหลังข้อมือหนังเหี่ยวอีกต่างหากฮะไปไปกับสันนักพระ อ, องค์ก็กลับมาคิดว่าจะหาทางวิธีการที่จะแก้ไข อย่างพวกเราเห็นพี่น้องประชาชนคนในชาตินีทุกยากลําบากเนี่ยพวกเราอยู่ในทรัพย์สินจะแก้ไขยังไงลักษณะอย่างนี้นะ่ะจะแก้ไขยังไงให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้ให้เป็นผู้มีอยู่ให้มีอยู่มีกินลักษณะอย่างนั้น่ะอันนี้สิท ธ, าธาิ์ถาขรรษณะอย่างนั้นเหมือนกันพอเห็นคนแก่นะจะแก้ไขเรจะทํำยังไงจึงจะไม่แก่อก็คิดไม่ตกเหมือนกันพอต่อมาสามสี่วันออก ไปชมสวนอุดอีกครั้งที่สองไปเห็นคนเจ็บติ้นชักติ่นชักงอพอไปเห็นคนตายอีกพอไปนั้นก็ไปเห็นสัมมาณะครั้งสุดท้ายครั้งที่สี่ไปเห็นสัมมาณะเออสัมมาณะเป็นผู้นั่งสมาธิทําจิตใจนั่งอยู่ที่โครนต้นไม้นั่งกระสมาทิคิดนั่งก้มหน้าคิดอยู่ตามลำพังถามนายชนะชันนะอันนี้คือใครเขาทำอะไร นายชนะบอกว่านี่คือสมมณะคือนักพจนักบวชชนิดหนึ่งเขานั่งคุ้นคิดในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะคิดหาในสิ่งที่เขาต้องการเขาจะนั่งอยู่ตามลําพังเขานั่งคิดคุ้นคิดในสิ่งที่เขาอยากจะได้อยากที่เขาอยากจะเห็นอยากที่เขาอยากจะรู้สิท ธ, ธาเห็นถ้าเราทำอย่างนี้อย่างสมณะท่านนี้นะเราคงจะมีทาง แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงในหวังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตัวมิอะไรการบริหารจัดการมากมายไม่รู้ว่าตำรวจทหาราปากท้องพี่น้องประชาชนเราจะดูแลยังไงมันอยู่กับพระเจ้าเป็นดินทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเรามาคุ้นคิดอย่างนี้คงจะหาทางออกได้ที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นนี่แหละเป็นความคิดของศีรษะที่ท่านหนีออกจากเวียงหวังนะ จากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกจากเวียงวังกลางคืนจริงๆจากนั้นพระองค์ก็ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีทดลองทดลองถูกรองผิดลองถูกลองถูกรอผิดหกปีนะพระพุทธเจ้าสิทธะไปบำเพ็ญอยู่ในป่าจากนั้นวันเดือนหกเพนขั้นได้ตัดรู้ทีนี่หลวงพ่อจะพูดแบบรวบรัดให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังท่านตัดรู้นะข่านตัดสู้อะไร ในคืนวันเดือนหกเพนนนั้นพระ อ, องค์นั่งอยู่ที่โคลนต้นโพธิพุทธกายาที่ต้นโพธิ์ตนนั้นที่ประเทศอินเดียท่านก็นั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะนากํากหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกนี่แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้ว่าเวลานั่งภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้คืนที่ตรัสรู้นั้นท่านทําอย่างไรท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเหมือนพระประธานอยู่ต่อหน้าของเราเนี่ยท่านนั่งอย่างนี้แหละอแต่ท่านหลับตานะท่านหลับตาจากนั้นท่านก็กําหนดลมหายใจเข้ารัวหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์คือความรู้สึกนึกคิดของพระองค์นั้นรวมแต่ก่อนจิตของเรามันปุงฟุ้งเหมือนกับพกเราทั้งทั้งหลายนี่ น, นั่งอยู่ที่นี่ก็คิดนู่ถึงถึงกรุงเทพบั่ ง, งถึงใครต่อใครบ้างถึงร้านอาหารบั่งไปเที่ยวเตะที่ไหนที่ไหนบ้างแตถ้าเราถึงพิกหนึ่งถึงจะนั่งอยู่ที่นี่ก็เถอะนะในจิตใจของเราถึงจะฟังหลวงพ่อโพนะูดก็เถอะ บางทีมก็สวับไปที่อื่นนอกลกูนอกทางมากมายอันนี้คือจิตใจของปุถุชนอันนี้ใจของพุท ธ, ธะก็เช่นเดียวกันในเมื่อท่านพระ อ, องค์นั่งนั่งสมาธิจิตใจของพระ อ, องค์ก็คิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นจนไปเห็นนางตัญหาราคาอารดีเป็นเห็นพยามารเขามารุพุ่งในข่าวนั้นครั้งนั้นนะจากนั้นพระ อ, องค์ก็บังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออก ตอนหัวค่ำพระไทยใจของพระองค์รวมเป็นหนึ่งทีจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งรวมเป็นหนึ่งจิตใจเน่งเป็นหนึ่งไม่จิตใจไม่ปรุงออกไปข้างนอกไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตใจอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นจากนั้นเมื่อพระองค์จิตใจเป็นอยู่ในปัจจุบันเกิดญาณสตนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาจะว่าปุเพนิวาสานุจติยานระลึกชาติโหนหลังได้ นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สู่นะตายแล้วเกิดอีกพราะพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นคือระลึกชาติทวนหลังได้ยังบอปุเพนิวาสารนจติญาณระลึกชาติทวนหลังได้ว่าชาติที่แล้วเรามาจากไหนท่านบอกมาจากสวรค์ชั้นุสิทธิก่อนที่จะไปขึ้นสวนชั้นุสิทธิ์ไปจากไหนไปจากพระเวชจันดอนท่านเรียงลําดับมาเลยเหมือนกับพวกเราท่านหลายมาจากกรุงเทพวันเนี้ย ไม่ใช่ว่าม า, ม า, มานั่งปู ป, ปับมาถึงที่นี่เลยไม่ใช่ออกจากกรุงเทพมาจากไหนไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเรารู้ว่าเราขึ้นสนำ้ำขึ้นเครื่องที่ไหนลงอย่างไรใครเอารถมารับอย่างไรที่เรามารถอย่างไรเราผ่านที่ไหนมาบ้างวันนี้นี่แหละเรารู้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็รู้เหมือนกันท่านมองดูอดีตเอคือเรานั่งอยู่ที่นี่แหละกันมองนึกดู มาแต่เมื่อเช้าหนูมาผ่านที่ไหนมาบ้างเอแล้วก็เมื่อวานวันก่อนอาทิตย์ก่อนเดือนก่อนปีก่อนเราก็รู้ได้นี่ก็เหมือนกันท่านคิดข้ามพบข้ามชาติไปอีกรละลึกชาติทวนหลังได้นี่แหละยังบอกปุกเพนิวาสานุสติยาพอถึงเที่ยงคืน จ, จู่จูป่ป่าจะแต่จู่จู่ป่าแต่ยามมองคนอื่นเด็กอย่างหลวงพ่อนี่อยู่ที่นี่ก็มองอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่เอ พระพุทธเจ้าจะมองพวกเราท่านนะเอ๊ะทำไมพวกเรามาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเอ๊ะชติปัญญาไม่เหมือนกันความคิร้ายกิเลสไม่เหมือนกันความสวยงามไม่เหมือนกันฐานะไม่เหมือนกันทําไมเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันทําไมไม่เหมือนกันเพราะอะไรพระองค์ก็มองมองดูแต่ละดวงวิญญาณ มองดูมองดูตัวลตัวลตัว ล, ต, วลตัวคนเขาทำอันไหนไว้ทำมเป็นอย่างนี้ทำไมาไม่เหมือนกันท่านมองดูแล้วท่านบอกว่ากรรมกรรมคือการกระทำคิดไม่เหมือนกันพูดไม่เหมือนกันทำไม่เหมือนกันการคิดไม่เหมือนกันการทำการพูดไม่เหมือนกันกรรมการกระทำเหล่านั้น จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย แ, แตกแตกต่างกันไม่เหมือนกันถ้าคิดใครคิดชั่วเกิดมาพบหน้าชาดหน้ากันหูหนวกตาบอดบ้าใบา เ, าเป็นคนที่ยากจนเพราะกรรมชั่วให้ผลถ้าใครทำำํากรรมดีสั่งสมบุญกุศลรู้จักบุญคุณรู้จักวางทำสถานะของตนให้เป็นคนดีเกิดมาพบหน้าชาิหน้ากรรมดีให้ผลเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่ความมั่งมีสีสุกร่ารวยการพูดดีก็เช่นเดียวกันการพูดเลวก็เหมือนกันอไม่ว่าแต่ชาตินั้นในชาติปัจจุบันนี้ก็เอาเถอะนะพวกเราท่านทั้งหลายจะ น, นั่งอยู่ด้วยกันเลยถ้าคิดดีถ้าคิดชั่วแล้วยังทําอะไรไม่ได้กฎหมายทําอะไรไม่ได้แต่บาปให้ผลแล้วนะคิดชั่วเป็นบาปละอคุศลที่ว่ามนโนกรรมคิดโลภอยากจะได้ของเขาเนี่ย คิดพยาบาทปรองล้ายเขาหนึ่งคิดเห็นผิดอยากทานองครองทมหนึ่งอันนี้คือความคิดนะมันผิดอนะ่ะแต่เอากฎหมายเอาโทษไม่ได้แต่เมื่อคิดออกไปแล้วไปใช้ร่างกายพอใช้ร่างกายร่างกายไปฆ่าเขาไปขโมยเขานะ่ะจับเข้าคุกเข้าตารางได้นะท่นนี่แล้วไปด่าเขาใช้วาจาไปด่าเขาเขา้าก็เข้าคุกเข้าตารางได้นี่แหละ การการทํากรรมทําได้สามทางในหลักของพุทธศาสนาโมนโนกรรมคือแนวความคิดกายกรรมคือการพูดกายกรรมคือการกระทำวัจจีกรรมคือการพูดนี่แหละเมื่อเราทํากรรมทำสามอย่างในอดีตมาเกิดในปัจจุบันมันจึงไม่เหมือนกันมรเกิดขึ้นมาแล้วการกระทําในอดีตไม่เหมือนกัน พอมาปัจจุบันมันให้ผลเป็นวิบากกรรมในอดีตคนจะไม่เกิดมาไม่เหมือนกันในเมื่อไม่ไม่ไม่เหมือนกันพระองค์ก็ให้โอวานว่าอัคกกตังดุ ก, กตังเสยโยปัชชาตะปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทาเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละ ท่านจึงเน้นว่าเรื่องกรรมคือการกระทำหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านเน้นเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทำถ้าเราทํากรรมชั่วแล้วจะดีได้อย่างไรถ้าเมื่อเราทํากรรมดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรเมื่อทํากรรมชั่วก็ชั่วมันจยางวันอย่างค่าถ้าเท่ากรรมดีมันก็ดีวันอย่างค่ําอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้เลือกทําแต่กรรมดีสิ่งที่มันชั่วและอย่าทําถ้าทําเข้าไปแล้วจะตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านอันนี้คือพระพุทมอง์ได้ตัดสู้ในคืนวันเดือนหกเพนวันจุตูปะปาใจยานการจุ ด, ดิการเกิดการตายของสรรพสัตว์เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็คืออันหนึ่งแต่นั้นกท่านก็ให้อาส า, าวะขยายานยานจุดท้ายคือท่านได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานท่านยังรู้ว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายแล้ว เราจะไม่เกิดอีกเพราะอะไรเพราะสิ่งที่พาให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะทาให้เราเกิดเพราะนั้นเราจะไม่เกิดอีกนะีอันนี้คือหลวงพ่อแนะนําบอกกล่าวเรื่องพุทธศาสนาเร ว, ว่องพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่เป็นรมรรคมครูที่พวกเราที่นับถือพระพุทธเจ้านับถือท่านปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่เป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นกษัตริย์ แค่ท่านปฏิบัติตนอย่างไรหนีออกจากเวียงหวังท่านเห็นอะไรท่านจึงหนีออกไปจากนั้นท่านปฏิบัติในคืนวันเดืนอนหกเป็นนั้นท่านทําอย่างไรอันนี้พวกเราคงจะพอเข้าใจล้วแตนี้มาพูดแนวแถวที่พวกเราพระพุทธเจ้าใน่ยไกลเกินไป25งพห้าปีแต่เนี่เรามาศึกษาแนวภาคปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นสายหลวงตามหาบัว สายคูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันที่ผ่านไปบัดหมางสดๆเรายังเห็นประวัติของท่านแล้วท่านปฏิบัติอย่างไรอันนี้แหละอยากจะแนะนําสั่งสอนคณะสัาาตยาธิโธมอลูกหลานทั้งหลายที่มาไม่มาวัดสุวัดกองหลวงพ่อเมื่อหลวงพ่อกล่าวสโมโภชในยกถาลงไปแล้วหลวงพ่อจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิอให้นั่งสมาธิเหมือนกับพระประธาน ขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็ปนมือขึ้นระหว่างอกอก่อนเรานั่งสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วเราปรนมือขึ้นระหว่างอกเนยะเออเอานั่งคัจสมาธีเลยนะที่นี้นะขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็ปนมือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธธัมโม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 ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกทุกดวงใจทุกทุกดวงวิญญาณด้วยเทินเออจากนั้นเอามือลงจากนั้นเราก็กำหนดลมหายใจอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาดาเนิน แต่สายหลวงปู่มั่นท่านให้บริกรรมด้วยนะหายใจเข้านึกในใจนะพุทหายใจออกโทให้ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ให้ส่งจิตไปในอดีตไม่จงจิตไปในอนาคตให้สติอยู่กับที่ปลายจมูกเท่านั้นให้หายใจเข้าพุธหายใจออกโทหายใจเข้าพุหายใจออกโทพุธโทพุทโ ท, ท, โทถ้าว่าจิตใจมัน หลงสลับมันไปอยู่ก็ให้เอาพุทโธให้ทีเลยนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัทับจุนกับตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนั้นแหลอไม่ต้องให้มันไปทางอื่นให้อยู่กับพุทโธแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกอย่างหนึ่งนัเมื่อเราภาวนาอันใดอันหนึ่งนะจะพุทโธให้ใจเข้าพุทธเจ้ออกโทเรื่องพุทโธพุทโธก็ตามแต่หลวงพ่อจะขอแนะนําอีกอย่างหนึงนะท่าน เราอยากจะรู้ว่าขณะใจของเราเนี่ยมันนึกคิดมันออกไปในช่วงไหนแมมันออกไปในช่วงไหนที่มันนึกคิดนะ่ะให้เรานับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกนึกในใจนะไม่ต้องออกปากนึกในใจหนึ่งสองจนถึงร้อยถ้าร้อยถึงร้อยไม่ไม่เพลอนะไม่เพลอนกะกลับมานับหนึ่งใหม่อีกหนึ่ง สองให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับสองแต่ถ้ามันเผลอจุดไหนมันเผลออยู่ไม่ถึงส0บหรือยี่สิบให้กลับมาใหม่ให้กลับมานับหนึ่งใหม่เราจะเรียนรู้ว่ามันเผลอในจุดไหนจากนั้นกหายใจเข้านับในเมื่อมันเผลอมันเผลอย่างไรมันเผลอคือคงเวลาหายใจเข้าเป็นเลขขี่หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สอง หายใจเข้าเป็นเลขขี้สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ขี้คู่ขี้คู่แต่พอมันเผลอมันจะเบลเบเลซะก่อนมันจะหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่นะั่นเองคู่คี่แต่แต่พระมิจิมันจะขี้คู่แต่พอมาเข้าพอมันเผล อ, ลอขึ้นมาจะคู่ขี่พอมันคู่ขี่ขึ้นมาผิดแหละแปลว่าเราหลงเราเผลอลวเรากลับใหม่ตั้งต้นใหม่อีกอกาหนดใหม่อีก หายใจเข้านับหนึ่งอีก น, ะนี่แหละให้พวกเราการมันเผลอมันเผลอในช่วงไรช่วงขนาดไหนถ้ามันเผล่บ่อยไม่เป็นผลดีนะถ้ามันเผล่บ่อยแสดงว่าสติของเรานะ่ยย่ำแย่แล้วเป็นอันไซเมอร์เข้ามาครองได้ง่ายๆล่ะเพราะนั้นต้องต้องตั้งสติให้ดีตั้งตนให้ดีต้องบังคับให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่เรานั่งภาวนานะ ตอนนี่อไปวันนี้หลวงพ่อขอแนะนำเท่านี้ก่อนให้พวกเรานั่งภาวนาต่อไปจนกว่าหลวงพ่อจะบอกเอออนพะ่อยังค่อยออกจากสมาธิแต่วันนี้หลวงพ่อคงไม่ให้นั่งนานเพราะพวกเราเดินทางมาไกลก็คงจะอ่อนเพลียแต่ตียังไงก็ควรจะฝึกเนะพราะมีมีเวลาน้อยเราก็ควรจะฝึกตนะั้งแต่วันนี้ละกำหนดภาวนา หายใจเข้าพดหายใจออกโทเอาตอนนี้ออกไปหลวงพ่อหยุดพูดแล้วนะที่นี่นะนั่งต่อ